คาณินทรียะมูลกนัย2องรอนุโลมปุจฉาคานินทรีย์ของบุคคลใดไม่ใช่กำลังเกิดอิทธินรีของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหมวิจัดชนาบุคคลผู้มีคานะเกิดไม่ได้อิทธิเกิดได้กำลังอุบัติคานินทรีย์ของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กำลังเกิดแต่อิทธินรีไม่ใช่ไม่กำลังเกิดบุคคลทั้งหมดผู้กำลังจุติบุคคลผู้มีคานะและอิทธิเกิดไม่ได้กำลังอุบัติ คานินรียของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กำลังเกิดแต่อ si ิทธินทรีย์ก็ไม่ใช่กำลังเกิดปฏิโลมปุชชาอิทธินทรีของบุคคลใดไม่ใช่กำลังเกิดคานินรีย์ของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหมวิจัชนาบุคคลผู้มีอิทธิเกิดไม่ได้คานะเกิดได้กำลังอุบัติอิทธินทรีของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กำลังเกิดแต่คานินทรียไม่ใช่ไม่กำลังเกิดบุคคลทั้งหมดผู้กำลังจุติ บุคคลผู้มีอิทธิละคานะเกิดไม่ได้กำลังอุบัติอิทธิินทรีย์ของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กำลังเกิดและคาสินทรีย์ก็ไม่ใช่กำลังเกิดอนุโลมปุจฉาคานินทรีย์ของบุคคลใดไม่ใช <efforts>. ่กำลังเกิดปุริสินทรีย์ของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหมวิจัชนาบุคคลผู้มีานะเกิดไม่ได้ปุริสะเกิดได้กำลังอุบัติคานินทรีย์ของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กำลังเกิดแต่ปุริสินทรีย์ไม่ใช่ไม่กำลังเกิด บุคคลทั้งหมดผู้กําลังจุติบุคคลผู้มีคานะและปุริจ่าเกิดไม่ได้กําลังอุบัติคานินทรีย์ของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กําลังเกิดและปุริสินรีย์ก็ไม่ใช่กําลังเกิดปฏิโลมปุชชาปุริสินทรียของบุคคลใดไม่ใช่กําลังเกิดคานินทรีย์ของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กําลังเกิดใช่ไหมวิจัชนาบุคคลผู้มีปุริจ่าเกิดไม่ได้มา วิตัชชาบุคคลผู้มีปุริสาเกิดไม่ได้คานะเกิดได้กำลังอุบัติปุริสินทรีย์ของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กำลังเกิดแต่คานินทรียไม่ใช่ไม่กำลังเกิดบุคคลทั้งหมดผู้กำลังจุติบุคคลผู้มีปุริสาและคานะเกิดไม่ได้กำลังอุบัติปุริสินรีย์ของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กำลังเกิดและคานินทรีย์ก็ไม่ใช่กำลังเกิดอนุโลมปุชชา ขานินทรีย์ของบุคคลใดไม่ใช่กำลังเกิดชีวิตินทรีย์ของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหมวิจัดชนาบุคคลผู้มีขาน่าเกิดไม่ได้กำลังอุบัติขานินทรีย์ของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กำลังเกิดแต่ชีวิตินทรียไม่ใช่ไม่กำลังเกิดบุคคลทั้งหมดผู้กำลังจุติขานินทรีย์ของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กำลังเกิดและชีวิตินทรียก็ไม่ใช่กำลังเกิดปฏิโดมปุชชา ชีวิตินทรีย์ของบุคคลใดไม่ใช่กําลังเกิดคาณินทรียีของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กําลังเกิดใช่ไหมพิจัดชนาใช่อนุโลมปุจฉาคาณินทรียีกของบุคคลใดไม่ใช่กําลังเกิดโสมณัตินทร์ศีกของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กําลังเกิดใช่ไหมพิจัชนาบุคคลผู้มีคานะเกิดไม่ได้แต่มีจิตเป็นโสมณัตกาลังอุบัติคาณินทร์ศีกของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กําลังเกิด แต่โสมนั ส, สินสีไม่ใช่ไม่กําลังเกิดบุคคลทั้งหมดผู้กําลังจุติบุคคลผู้มีคานะเกิดไม่ได้ได้มีจิตปราศจากโสมนัสกาลังอุบัติคานินสีของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กําลังเกิดและโสมนัสสินสีก็มไม่ใช่กําลังเกิดปฏิโดมปุจฉาโสมนัสสินสีของบุคคลใดไม่ใช่กําลังเกิดคานินสีของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กําลังเกิดใช่ไหมวิจัตชนาะ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 คาณินสีของบุคคลใดไม่ใช่กําลังเกิดอุเบกินทรียของบุคคลนั้นก็ไม <gger> ่ใช่กําลังเกิดใช่ไหมวิจัชนาบุคคลผู้มีคานะเกิดไม่ได้แต่มีจิตเป็นอุเบขากําลังอุบัติคานินรียของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กําลังเกิดแต่อุเบกินรีไม่ใช่ไม่กําลังเกิดบุคคลทั้งหมดผู้กําลังจุติบุคคลผู้มีคานะเกิดไม่ได้และมีจิตปราศจากอุเบขากําลังอุบัติ คานินรียก็บุคคลเหล่านั้นกําลังเกิดได้อุเปกขินรีก็ไม่ใช่กําลังเกิดปฏิโลมปุชชาอุเปกขินรีของบุคคลใดไม่ใช่กําลังเกิดคานินทรียก็บุคคลนั้นก็ไม่ใช่กําลังเกิดใช่ไหมวิจัตชนาบุคคลผู้มีคานะเกิดได้มีจิตปราศจากอุเบกขากําลังอุบัติอุเปกขินรีของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กําลังเกิดแต่คานินรียไม่ใช่ไม่กําลังเกิด บุคคลทั้งหมดผู้กำลังจุติบุคคลผู้มีคานะเกิดไม่ได้แต่มีจิตปราถจากุเบขากำลังอุบัติอุเปกินตีของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กำลังเกิดและคานินตีก็ไม่ใช่กำลังเกิดอนุโลมปุจฉาคานินตีของบุคคลใดไม่ใช่กำลังเกิดสัดทินรียของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหมวิจัชนาบุคคลผู้มีคานะเกิดไม่ได้แต่เป็นสาเหตุกะรกำลังอุบัติ คาณินทีกับบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กําลังเกิดแต่สัตตินตีไม่ใช่ไม่กําลังเกิดบุคคลทั้งหมดผู้กําลังจุติบุคคลผู้มีคานะเกิดไม่ได้ได้เป็นอเหตุตุกะกําลังอุบัติคานินตีกับบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กําลังเกิดและสัตตินตีก็ไม่ใช่กําลังเกิดปฏิโดมปุชชาสัตตินทีกับบุคคลใดไม่ใช่กําลังเกิดคานินตีกับบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กําลังเกิดใช่ไหมวิตัชชา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 ปัญญินทีของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหมวิจัชนาะบุคคลผู้มีคานาเกิดไม่ได้แต่เป็นยาณสัมปยุทธ์กำลังอุบัติคานินทรีของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กำลังเกิดแต่ปัญญินทรีไม่ใช่กไม่กำลังเกิดบุคคลทั้งหมดผู้กำลังจุติบุคคลผู้มีคานาเกิดไม่ได้และเป็นยาณวิปยุทธ์กำลังอุบัติ คาณินตีกับบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กําลังเกิดแด้ปัญญินตีก็ไม่ใช่กําลังเกิดปฏิโดมปุชชาปัญญินตีของบุคคลใดไม่ใช่กําลังเกิดคานินตีกับบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กําลังเกิดใช่ไหมวิจัตชนาบุคคลผู้เป็นญาณวิปยุตแต่มีคานะเกิดได้กําลังอุบัติปัญญินตีของบุคคลเหล่าน well <so ั้นไม่ใช่ก ain ําลังเกิดแต่คาณินตีไม่ใช่ไม่กําลังเกิดบุคคลทั้งหมดผู้กําลังจุติ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 แต่มนินตีไม่ใช่ไม่กำลังเกิดบ e ุคคลทั้งหมดผู้กำลังจุติบุคคลผู้มีจิตเกิดไม่ได้กำลังอุบัติคานินตีของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กำลังเกิดและมนินตีก็ไม่ใช่กำลังเกิดปฏิโดมปุชามนินตีของบุคคลใดไม่ใช่กำลังเกิดคานินตีของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหมวิจัชนาใช่คานินตริยมูลกนัยจบ อิทถินตรียมูลกไ น, นัย2ิบอนุโลมปุชชาอิทถินตรีของบุคคลใดไม่ใช่กําลังเกิดปุริสินทรีของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กําลังเกิดใช่ไหมวิจัดชนาะบุคคลผู้มีปุริจาเกิดได้กําลังอุบัติอิทธินตรีของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กําลังเกิดแต่ปุริสินตรีไม่ใช่ไม่กําลังเกิดบุคคลทั้งหมดผู้กําลังจุติบุคคลมีผู้มีอิทธิและปุริจาเกิดไม่ได้กําลังอุบัติ อิทธิสิของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กําลังเกิดและปุริสินสีก็ไม่ใช่กําลังเกิดปฏิโดมปุชชาปริสินสีของบุคคลใดไม่ใช่กําลังเกิดอิทธิสีของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กําลังเกิดใช่ไหมวิจัชนาบุคคลผู้มีอิทธิเกิดได้กําลังอุบัติปริสินสีของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กําลังเกิดแต่อิทธิสีไม่ใช่ไม่กําลังเกิดบุคคลทั้งหมดผู้กําลังจุติ บุคคลผู้มีปริสะและอิทธิเกิดไม่ได้กำลังอุบัติปริสินตีของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กำลังเกิดและอิทธินรียก็ไม่ใช่กำลังเกิดอนุโลมปุชชาอิทธินรียของบุคคลใดไม่ใช่กำลังเกิดชีวิตินตีของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหมวิจัตชนาบุคคลผู้มีอิทธิเกิดไม่ได้กำลังอุบัติอิทธินรียของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กำลังเกิดแต่ชีวิตินทรีไม่ใช่ไม่กำลังเกิด บุคคลทั้งหมดผู้กําลังจุติอิตินตีของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กําลังเกิดและชีวิตินตีก็ไม่ใช่กําลังเกิดปฏิโลมปุชชาชีวิตินตีของบุคคลใดไม่ใช่กําลังเกิดอิตินตีของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กําลังเกิดใช่ไหมวิจัชนาใช่อนุโลมปุชชาอิตินตีของบุคคลใดไม่ใช่กําลังเกิดโสมนัตินตีของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กําลังเกิดใช่ไหม วิจัชนาบุคคลผู้มีอิทธิเกิดไม่ได้แต่มีจิตเป็นโสมนัตกําลังอุบัติอิทินตีของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กําลังเกิดแต่โสมนัตสินตีไม่ใช่ไม่กําลังเกิดบุคคลทั้งหมดผู้กําลังจุติบุคคลผู้มีอิทธิเกิดไม่ได้ ไ, ได้มีจิตปราศจากโสมนัตกําลังอุบัติอิทธินตีของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กําลังเกิดและโสมนัตสินตีก็ไม่ใช่กําลังเกิ ด, небольш, กกดปฏิโลมปุชชา โสมนัสสินสีของบุคคลใดไม่ใช่กําลังเกิดอิตินสีของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กําลังเกิดใช่ไหมวิจัชนาบุคคลผู้มีอิทธิเกิดได้แต่มีจิตปราศจากโสมนัสกาลังอุบัติโสมนัสสินสีของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กําลังเกิดแต่อิตินสีไม่ใช่ไม่กําลังเกิดบุคคลทั้งหมดผู้มีกําลังจุติบุคคลผู้มีอิทธิเกิดไม่ได้ได้มีจิตปราศจากโสมนัสกาลังอุบัติ โสมณตินตีของบุคคลนั้นไม่ใช่กําลังเกิดและอิทธินตีก็ไม่ใช่กําลังเกิดอนุโลมปุจฉาอิทธินตีของบุคคลใดไม่ใช่กําลังเกิดอุเปกินตีของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กําลังเกิ ด, ช ด, ก ใ, ชกกดใช่ไหมวิจัชนาบุคคลผู้มีอิทธิเกิดไม่ได้แต่มีจิตเป็นอุเบกขากําลังอุบัติอิทธินตีของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กําลังเกิดแต่อุเปกินตีไม่ใช่ไม่กําลังเกิดบุคคลทั้งหมดผู้กําลังจุติ บุคคลผู้มีอิทธิเกิดไม่ได้ได้มีจิตปราศจากอุเบกขากำลังอุบัติอิทธินตีของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กำลังเกิดและอุเบกินตีก็ไม่ใช่กำลังเกิดปฏิโลมปุชชาอุเบกินตีของบุคคลใดไม่ใช่กำลังเกิดอิทธินตีของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหมวิตัิชนาบุคคลผู้มีอิทธิเกิดได้แต่มีจิตปราศจากอุเบกขากำลังอุบัติ อุเปกขินตีของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กำลังเกิดแต่อิทินตีไม่ใช่ไม่กำลังเกิดบุคคลทั้งหมดผู้กำลังจุติบุคคลผู้มีอิทธิเกิดไม่ได้และมีจิตปราศจากอุเบกขากำลังอุบัติอุเปกขินตีของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กำลังเกิดและอิทินตีก็ไม่ใช่กำลังเกิดอนุโลมปุชชาอิทินตีของบุคคลใดไม่ใช่กำลังเกิดสัตตินตีของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหมวิจัชนา บุคคลผู้มีอิทธิเกิดไม่ได้และเป็นเหตุุกะกำลังอุบัติอิทินตีของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กำลังเกิดแต่จัตินตีไม่ใช่ไม่กำลังเกิดบุคคลทั้งหมดผู้กำลังจุติบุคคลผู้มีอิทธิเกิดไม่ได้และเป็นเหตุุกะกำลังอุบัติอิทธินตีของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กำลังเกิดแต่จัตินตีก็ไม่ใช่กำลังเกิดปฏิโลมปุชชา สัตตินตีของบุคคลใดไม่ใช่กําลังเกิดอิทธินตีของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กําลังเกิดใช่ไหมวิจัตชนาบุคคลผู้เป็นอเหตุกะได้มีอิทธิเกิดได้กําลังอุบัติสัตตินตีของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กําลังเกิดแต่อิทินตี sequel, ไม่ใช่ไม่กําลังเกิดบุคคลทั้งหมดผู้กำลังจติบุคคลผู้เป็นเหตุตุกกะได้มีอิทธิเกิดไม่ได้กําลังอุบัติสัตทินตี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 เป็นญานวิประยุทธ์กำลังอุบัติอิทธินตีของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กำลังเกิดและปัญญินตีก็ไม่ใช่กำลังเกิดปฏิโดมปุชชาปัญญินตีของบุคคลใดไม่ใช่กำลังเกิดอิทธินตีของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหมวิจัดชนาบุคคลผู้เป็นญานวิทยปยุทธ์แต่มีอิทธิเกิดได้กำลังอุบัติปัญญินตีของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กำลังเกิดแต่อิทธินตีไม่ใช่ไม่กำลังเกิด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 ตริยมูลกนัยจบปริตินตริยมูลกนัย2องรอนุโลมปุจฉาปริตินตีของบุคคลใดไม่ใช่กําลังเกิดชีวิตินตีของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กําลังเกิดใช่ไหมวิจัชนาะบุคคลผู้มีปริจาเกิดไม่ได้กําลังอุบัติปริตินตีของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กําลังเกิดแต่ชีวิตินตีไม่ใช่ไม่กําลังเกิด บุคคลทั้งหมดผู้กําลังจุติปริสินตีของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กําลังเกิดและชีวิตินตีก็ไม่ใช่กําลังเกิดปฏิโลมปุชชาชีวิตินตีของบุคคลใดไม่ใช่กําลังเกิดปริสินตีของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กําลังเกิดใช่ไหมวิตัชชาใช่อนุโลมปุชชาปริสินตีของบุคคลใดไม่ใช่กําลังเกิดโสมณตินตีของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กําลังเกิดใช่ไหมวิตัชชา บุคคลผู้มีปริจาเกิดไม่ได้แต่มีจิตเป็นโสมณัตกาลังอุบัติปุริสินสีของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กําลังเกิดแต่โสมณัตสินสีไม่ใช่ไม่กําลังเกิดบุคคลทั้งหมดผู้กําลังจุติบุคคลผู้มีปริจาเกิดไม่ได้ได้มีจิตปราศจากโสมนัตกาลังอุบัติปุริสินสีของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กําลังเกิดและโสมนัตสินสีก็ไม่ใช่กําลังเกิดปฏิโดมปุชชา โสมนสสินสีของบุคคลใดไม่ใช่กำลังเกิดปุริสินสีของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหมวิสัชนาบุคคลผู้มีปุริษาเกิดได้ได้มีจิตปราศจากโสมนั์กำลังอุบัตโสมณสินสีของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กำลังเกิดแต่ปุริสินสีไม่ใช่ไม่กำลังเกิดบุคคลทั้งหมดผู้กำลังจุติบุคคลผู้มีปุริษาเกิดไม่ได้มีจิตปราศจากโสมณั์กำลังอุบัต โสมณตินตีของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กำลังเกิดและปุริสินตีก็ไม่ใช่กำลังเกิดอนุโลมปุจฉาปริสินตีของบุคคลใดไม่ใช่กำลังเกิดอุเปกินตีของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหมวิจัชนาบุคคลผู้มีปุริจเกิดไม่ได้และมีจิตเป็นอุเบขากำลังอุบัติปุริสินตีของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กำลังเกิดแต่อุเปกินตีไม่ใช่ไม่กำลังเกิดบุคคลทั้งหมดผู้กำลังจุติ บุคคลผู้มีปริจาเกิดไม่ได้ได้มีจิตปราศจากอุเบกขากำลังอุบัติปริสินตีของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กำลังเกิดและอุเปกินตีก็ไม่ใช่กำลังเกิดปฏิโลมปุชชาอุเปกินตีของบุคคลใดไม่ใช่กำลังเกิดปุริสินตีของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหมวิจัชนาบุคคลผู้มีปุริจาเกิดได้มีจิตปราศจากอุเบกขากำลังอุบัติ อุเปกินสีของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กำลังเกิดแต่ปุริสินสีมิใช่ไม่กำลังเกิดบุคคลทั้งหมดผู้กำลังจติบุคคลผู้มีปุริสาเกิดไม่ได้ได้มีจิตปราศจากอุเบคากำลังอุบัติอุเปกินสีของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กำลังเกิดและปุริสินีก็ไม่ใช่กำลังเกิดอนุโลมปุชชา ปุริสินทรีของบุคคลใดไม่ใช่กําลังเกิดจัดทินตีของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กําลังเกิดใช่ไหมพิจัชนาบุคคลผู้มีปุริจาเกิดไม่ได้และเป็นเหตุกะกําลังอุบัติปุริสินทรีของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กําลังเกิดแต่จัดทินตีไม่ใช่ไม่กําลังเกิดบุคคลทั้งหมดผู้กําลังจุติบุคคลผู้มีปุริจาเกิดไม่ได้และเป็นอเหตุุกะกําลังอุบัติ ปุริสินสีของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กำลังเกิดแต่สัตทินรียก็ไม่ใช่กำลังเกิดปฏิโดมปุจฉาสัตทินรีของบุคคลใดไม่ใช่กำลังเกิดปุริสินทสียของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหมวิจัติชนาบุคคลผู้เป็นอเหตุกกาและมีปุริสะเกิดได้กำลังอุบัติสัตทินรีของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กำลังเกิดแต่ปุริสินสีไม่ใช่ไม่กำลังเกิดบุคคลทั้งหมดผู้กำลังจุติ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 บุคคลผู้เ <Bol> ป็นญาณวิปปยุตแต่มีปุริสะเกิดได้กำลังอุบัติปัญญินตีของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กำลังเกิดแต่ปุริสินตีไม่ใช่ไม่กำลังเกิดบุคคลทั้งหมดผู้กำลังจุติบุคคลผู้เป็นญาณวิปปยุตและมีปุริสะเกิดไม่ได้กำลังอุบัติปัญญินตีของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กำลังเกิดและปุริสินตีก็ไม่ใช่กำลังเกิดอนุัลมงพูดช้า ปริสินตีของบุคคลใดไม่ใช่กําลังเกิดมนินทรียของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กําลังเกิดใช่ไหมวิจัตชนาบุคคลผู้มีปุริสะเกิดไม่ได้จิตเกิดได้กําลังอุบัตปุริสินตีของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กําลังเกิดแต่มนินทรียไม่ใช่ไม่กําลังเกิดบุคคลทั้งหมดผู้กําลังจุติบุคคลผู้มีจิตเกิดได้กําลังอุบัติ ปุริสินตีของบุคลเหล่านั้นไม่ใช่กําลังเกิดและมนินตีก็ไม่ใช่กําลังเกิดปฏิรมปุจฉามนินตีของมคคลใดไม่ใช่กําลังเกิดปุริสินตีของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กําลังเกิดใช่ไหมวิจัดชนาใช่ปุริสินทริยมูลกนัยจบชีวิตินทริยมูลกนัยสองอนุโลมปุจฉา ชีวิตินทร์ีของบุคคลใดไม่ใช่กำลังเกิดโสมนณตินทรียีของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหมวิจัดชนาใช่ปฏิโดมปุจฉาโสมณตินทรียีของบุคคลใดไม่ใช่กำลังเกิดชีวิตินทรียีของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหมวิจัดชนาบุคคลมีจิตปราศจากโสมณั์กาลังอุบัตในอุปาทัศนาแห่งจิตที่วิปยุจจากโสมณตในปวัตติกาน โสมณสินรีของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กำลังเกิดแต่ชีวิตินตีไม่ใช่ไม่กำลังเกิดบุคคลทั้งหมดผู้กำลังจุติในพังค์ขั้แห่งจิตในประวัติการโสมณสินรีของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กำลังเกิดและชีวิตินตีก็ไม่ใช่กำลังเกิดอนุโลมปุชชาชีวิตินตีของบุคคลใดไม่ใช่กำลังเกิดอุเปกินรีของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหมวิจัดชนาใช่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 ในพังข้ขนาแห่งจิตในประวัติการอุเปกขินสีของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กําลังเกิดและชีวิตินทรีก็ไม่ใช่กําลังเกิดอนุโลมปุจฉาชีวิตินทรีของบุคคลใดไม่ใช่กําลังเกิดสัตตินทรีของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กําลังเกิดใช่ไหมพิจัดชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาสัตตินทรีของบุคคลใดไม่ใช่กําลังเกิด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 อนุโลมปุจฉาชีวิตินทร์ตีของบุคคลใดไม่ใช่กําลังเกิดปัญญินทร์ตีของบุคคล น, นั้นก็ไม่ใช่กําลังเกิดใช่ไหมวิจัชนาะใช่ปฏิโลมปุจฉาปัญญินทร์ตีของบุคคลใดไม่ใช่กําลังเกิดชีวิตินทร์ตีของบุคคล น, นั้นก็ไม่ใช่กําลังเกิดใช่ไหมวิจัชนาะบุคคลผู้เป็นญาณวิปยุตกําลังเกิดในอุปาทัศนาแห่งจิตที่วิปยุตจากญาณในประวัติการ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 ปฏิโลมปุจฉามนิินตีกบุคคลใดไม่ใช่กําลังเกิดชีวิตินทีกบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กําลังเกิดใช่ไหมวิจัตชนาบุคคลผู้มีจิตเกิดไม่ได้กําลังอุบัติมนิินตีกบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กําลังเกิดแต่วิชีวิตินตีไม่ใช่ไม่กําลังเกิดบุคคลทั้งหมดผู้กําลังจุติในพังคะขณะแห่งจิตในประวัติการมนิินตีกบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กําลังเกิด และชีวิตินทรีก็ไม่ใช่กําลังเกิดชีวิตินตรียมูลกนัยจบโสมนัสตินตรียมูลกนัย2อง อ, อนุโลมปุชชาโสมนัสตินตรีของบุคคลใดไม่ใช่กําลังเกิดอุเปกินตรีของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กําลังเกิดใช่ไหมวิจัดชนาบุคคลมีจิตเป็นอุเบขากําลังอุบัติในอุปาทคณาแห่งจิตที่สัมปยุทธ์ด้วยอุเบขาในประวัติการ โสมณสินตีกบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กำลังเกิดแต่อุเปกินตีไม่ใช่ไม่กำลังเกิดในพังคัณะแห่งจิตกบุคคลทั้งหมดในอุ ป, ปาทขศนาแห่งจิตที่วิปยุตจากโสมนณตและอุเบกขาบุคคลผู้เข้าในโรดสมาบัตและบุคคลผู้อุบัตอยู่ในอาจารย์สัจต ภ, ภูมิโสมณตินตีกบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กำลังเกิดแต่อุเปกินตีก็ไม่ใช่กำลังเกิดปฏิโลมปุชชา อุเปกินสีของบุคคลใดไม่ใช่กําลังเกิดโสมนัณ ส, สินรียของบุคคล น, นั้นก็ไม่ใช่กําลังเกิดใช่ไหมวิจัชนาบุคคลมีจิตเป็นโสมัตกาลังอุบัติในอุปาทัคณะแห่งจิตที่สัมประยุทธ์ด้วยโสมนัตในประวัติการอุเปกินสีของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กําลังเกิดแต่โสมนณตินรียไม่ใช่ไม่กําลังเกิดในพังค์ทณะแห่งจิตของบุคคลทั้งหมด ในอุปาทัณนาแห่งจิต ท, ที่วิปยุตจากอุเบกขาและโสมนัตบุคคลผู้เข้านีนิโรธสมาบัตและบุคคลผู้บัตอยู่ในอาจารย์สัตตภูมิอุเปกินสีของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กำลังเกิดและโสมนัตสินสีก็ไม่ใช่กำลังเกิดอนุโลมปุจฉาโสมณัตสินสีของบุคคลใดไม่ใช่กำลังเกิดสัตตินสีของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหมวิจัชนาะ บุคคลผู้เป็นเหตุตุกาแต่มีจิตปราศจากโสมนัสกำลังอุบัติในอุปาทัศนาแห่งจิตที่วิปปยุตจากโสมนัสและที่สัมปยุตได้ศรัทธาในประวัติการโสมนัสสินสี่ของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กำลังเกิดแต่ตัดสินสี่ไม่ใช่ไม่กำลังเกิดในปังคขณะแห่งจิตของบุคคลทั้งหมดในอุปาทขศนาแห่งจิตที่วิปปยุตจากโสมนัสและศรัทธาในบุคคลผู้เข้าในโลกสมาบัติ แต่บุคคลผู้บัตรอยู่ในอาจารยตยตภูมิโสมนัสสินทตีก็บุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กําลังเกิดและสัตตินตีก็ไม่ใช่กําลังเกิดปฏิโลมปุชชาสัตตินตีก็บุคคลใดไม่ใช่กําลังเกิดโสมนัสสินตีของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กําลังเกิดใช่ไหมวิจัดชนาในอุปาทัศนาแห่งจิตที่วิปยุตจากศรัทธาและที่สัมปยุตได้โสมนัสในประวัติการสัตตินตีก็บุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กําลังเกิด แต่โสมณตินตีไม่ใช่ไม่กำลังเกิดในพังขนขณะแห่งจิตของบุคคลทั้งหมดในอุปาขนขณะแห่งจิตที่วิปยุตจากศรัทธาและโสมณตบุคคลผู้เข้าหนีรสสมาบัตและบุคคลผู้บัตอยู่ในอาจารยจัตต ภ, ภ, ภูมิสตินรีของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กำลังเกิดและโสมณตินทรีย์ก็ไม่ใช่กำลังเกิดอนุโลมปุชชาโสมณัณตินตีของบุคคลใดไม่ใช่กำลังเกิด ปัญญินตีกับบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กําลังเกิดใช่ไหมวิจัชนาบุคคลผู้เป็นญาณสามปยุทธ์แต่มีจิตปราศจากโสมนัสกาลังอบัติในอุปาทัศนาแห่งจิตที่วิปยุทธจากโสมนัสและที่สามประยุทธ์ ด, ด้วยญาณในประวัติการโสมนัสสินรีกับบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กําลังเกิดแต่ปัญญินตีไม่ใช่ไม่กําลังเกิดในพังขัคณะแห่งจิตของบุคคลทั้งหมด ในอุปาทขศนาแห่งจิตที่วิปยุตยจากโสมนัตและญาณบุคคลผู้เข้าในรสสมาบัตและบุคคลผู้บัตอยู่ในอาจาญย์ัตตภูมิโสมนัตสินตีของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กําลังเกิดและปัญญตีก็ไม่ใช่กําลังเกิดปฏิโลมปุชชาปัญญตีของบุคคลใดไม่ใช่กําลังเกิดโสมนัตสินตีของบุคค ล, ลนั้นก็ไม่ใช่กําลังเกิดใช่ไหมวิจัตชนาะ บุคคลผู้เป็นญาณวิปทยุตแต่มีจิตเป็นโสมนัตกำลังอุบัติในอุปาทขศนาแห่งจิตที่วิปทยุตจากยาณที่สัมปยุต ด, ด้วยโสยมนัตในภาวัติการปัญญีของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กำลังเกิดแต่โสมนัตสินตีไม่ใช่ไม่กำลังเกิดในพังคัศนาแห่งจิตของบุคคลทั้งหมดในอุปาทขศนาแห่งจิตที่วิทยุตจากยาและโสมนัตบุคคลผู้เข้า n i โ r o สมาบัติ ได้บุคคลผู้บัตรอยู่ในอญญาจารยศัตตภูมิปัญญินตีของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กำลังเกิดและโสมณต ส, สินรียก็ไม่ใช่กำลังเกิดอนุโลมปุจฉาโสมณต ส, สินรีของบุคคลใดไม่ใช่กำลังเกิดมนินรีของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหมวิจัตชนาบุคคลผู้มีจิตเกิดได้แต่มีจิตปราศจากโสมณตกำลังอุบัติในอุปาทขนาแห่งจิตที่วิปยุจจากโสมนัตในประวัติการ โสมนณสินตีของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กำลังเกิดแต่มนินตีไม่ใช่ไม่กำลังเกิดในพังคข้าณาแห่งจิตของบุคคลทั้งหมดบุคคลผู้เข้าในโรธสะมาบัตแต่บุคคลผู้บัจจอูในอาจารย์ัศตพูมโสมณสินตีของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กำลังเกิดและมนินตีก็ไม่ใช่กำลังเกิดปฏิโดมปุชชามนินตีของบุคคลใดไม่ใช่กำลังเกิดโสมณสินตีของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหม วิจัชนาะใช่โสมณตสินตริยมูลกนัยจบอุเป ก, กินตริยมูลกนัย2องร อ, อนุโลมปุชชาอุเป ก, กินสีของบุคคลใดไม่ใช่กําลังเกิดสัตตินรีของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กําลังเกิดใช่ไหมวิจัชนาะบุคคลผู้เป็นสเสหตุกาจะมีจิตปราศจากอุเบขากําลังอุบัติ ในอุปาทขศนาแห่งจิตที่วิปยุตจากอุเบขาและที่สัมปยุตได้ศรัทธาในประวัติการอุเปกินสีของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กำลังเกิดแต่ตัดทินงตีไม่ใช่ไม่กำลังเกิดในพังคัศนาแห่งจิตของบุคคลทั้งหมดในอุปาทขศนาแห่งจิตที่วิปยุตจากอุเบขาและศรัทธาบุคคลผู้เข้าในโลกสมาบัติและบุคคลผู้อุบัติอยู่ในสัญญสัตตภูมิอุเปกินตีของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กำลังเกิด สัตตินตีก็ไม่ใช่กําลังเกิดปฏิรดมปุชชาสัตตินตีของบุคคลใดไม่ใช่กําลังเกิดอุเปกินตีของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กําลังเกิดใช่ไหมวิจัดชนาะบุคคลผู้เป็นอหตตกะแต่มีจิตเป็นอุเบขากําลังอุบัติในอุปาทขศนาแห่งจิตที่วิปยุตจากศรัทธาและที่สามยุต ด, ด้วยอุเบขาในประวัติการสัตตินตีของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กําลังเกิด แต่อุเปกินตีไม่ใช่ไม่กำเกิดในพังคขณะแห่งจิตของบุคคลทั้งหมดในอุปาทัศนาแห่งจิตที่วิปยุตจากศรัทธาและอุเบกขาบุคคลผู้เข้าในรอดสมาบัตและบุคคลผู้อุบัติอยู่ในอาจาญย์ัจตภูมิสัตตินตีก็บุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กำเกิดและอุเปกินตีก็ไม่ใช่กำเกิดอนุโลมปุชชาอุเปกินตีของบุคคลใดไม่ใช่กำเกิดปัญญตีของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กำเกิดใช่ไหม วิจัชนาบุคคลผู้เป็นญาณสัมปยุต์แต่มีจิตปราศจากอุเบกขากำลังอุบัติในอุปาทัศนาแห่งจิตที่วิปยุตจากอุเบกขาแต่ที่สัมปยุต์ด้วยยานในประวัติการอุเปกขินตีของบุคค ล, ลนั้นไม่ใช่กำลังเกิดแต่ปัญญตีไม่ใช่ไม่กำลังเกิดในพังคขศนาแห่งจิตของบุคคลทั้งหมดในอุปาทขศนาแห่งจิตที่วิปยุตจากอุเบกขาและยาน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 ในอุปาทัศนาแห่งจิตที่วิปยุตจากยานและที่สัมปยุตด้วยเวขาในประวัติการปัญญีของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กำลังเกิดแต่อุเปกขินีไม่ใช่ไม่กำลังเกิดในปังคัณะแห่งจิตของบุคคลทั้งหมดในอุปาทัศนาแห่งจิตที่วิปยุตจากยานและอุเบขาบุคคลผู้เข้านิโรธสมาบัตและบุคคลผู้อุบัตอยู่ในอาจารย์สัตตภูมิปัญญีของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กำลังเกิดและอุเปกขินรีก็ไม่ใช่กำลังเกิด อนุรลมปุชชาอุเปกินตีกับบุคคลใดไม่ใช่กําลังเกิดมณินตีกับบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กําลังเกิดใช่ไหมวิตัชนาะบุคคลผู้มีจิตเกิดได้แต่มีจิตปราศจากอุเบขากําลังอุบัติในอุปาทขณาแห่งจิตที่วิปยุจจากอุเบขาในประวัติการอุเปกินตีกับบุคคลล่านั้นไม่ใช่กําลังเกิดแต่มณินตีไม่ใช่ไม่กําลังเกิดในพังค์ขณาแห่งจิตของบุคคลทั้งหมด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 อนุโลมปุจฉาสัตตินตีองบุคคลใดไม่ใช่กําลังเกิดปัญญินตีของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กําลังเกิดใช่ไหมวิจัดชนาะใช่ปฏิโลมปุจฉาปัญญินตีของบุคคลใดไม่ใช่กําลังเกิดสัตตินตีองบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กําลังเกิดใช่ไหมวิจัดชนาะบุคคลผู้เป็นญาณวิปยุทธและเป็นสเหตุุกะกําลังอุบัติในอุปาทัศนาแห่งจิตที่วิปยุทธจากญาณและที่สามปยุทธได้ศรัทธาในประวัติการ ปัญญินทรีของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กำลังเกิดแต่สัตทินทรีไม่ใช่ไม่กำลังเกิดในพังคขศนาแห่งจิตของบุคคลทั้งหมดในอุปาทขศนาแห่งจิตที่วิปยุตจากยาและศรัทธาบุคคลผู้เข้านิโรธสมาบัตและบุคคลผู้อุบัติอยู่ในอาจาญยัตตภูมิปัญญินทรีของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กำลังเกิดและสัตทินทรีก็ไม่ใช่กำลังเกิดอนุโลมปุชชาสัตทินทรีของบุคคลใดไม่ใช่กำลังเกิด มันินตีของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กําลังเกิดใช่ไหมวิจัชนาะบุคคลผู้เป็นอเหตุุกาจะมีจิตเกิดได้กําลังอุบัติในอุปาทัศนาแห่งจิตที่วิปยุตจากศรัทธาในประวัติการสัตตินตีกับบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กําลังเกิดแต่มันินตีไ ม, ม่ใช่ไม่กําลังเกิดในปังคณาแห่งจิตของบุคคลทั้งหมดบุคคลผู้เข้านิโรธสะมาบัตและบุคคลผู้อุบัติอยู่ในอาจารย์ัตต ภ, ภูมิ สตินตีกมปกคลเหล่านั้นไม่ใช่กำลังเกิดและมนิณตีก็ไม่ใช่กำลังเกิดปฏิรูปุจฉามนิณตีกบุคคลใดไม่ใช่กำลังเกิดสัตตินตรีกบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหมวิจัดชนาใช่สัตตินตรีมูลกนัยจบปัญญตรีมูลกนัย2ี่ออนุโลมปุจฉา ปัญญ heart, ินต no no ีก็บ you no ุคคลใดไม่ใช่กําลังเกิดมนินตีกับบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กําลังเกิดใช่ไหมวิจัดชนาบุคคลผู้มีจิตเกิดได้และมีจิตเป็นญาณวิปยุตกําลังอุบัติในอุปาทขศนาแห่งกิตที่วิปยุตจากจาในประวัติการปัญญินตีกับบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กําลังเกิดแต่มนินตีไม่ใช่ไม่กําลังเกิดในพังคขศนาแห่งจิตของบุคคลทั้งหมดบุคคลผู้เข้าในรสจะมาบัตดและบุคคลผู้บัดอยู่ในอาจารย์ัตุภูมิ ปัญญินตีกับบุคคลเหล่านั้นกําลังเกิดและมนิณตีก็ไม่ใช่กําลังเกิดปฏิโรมปุจฉามนิณตีของบุคคลใดไม่ใช่กําลังเกิดปัญญินตีของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กําลังเกิดใช่ไหมวิจัดชนาใช่ปัญญตรียมูลกนยัยจบ